ขอความสุขความเจริญความปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายใจจงมันเกิดมีกับท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านในโอกาสนี้ได้นำเนื้อหาจากพระไตรบิดกในเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังสำหรับเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลในทางปริยัตเพื่อสะดวกสำหรับจะใช้ ในการนำไปประพฤติปฏิบัติเนื้อหาที่ได้นำมาอ่านจะเป็นเนื้อหาที่มีสาระยาวสักหน่อยและยากสำหรับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยในภาษาทางธรรมก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะให้ความสำคัญและตั้งใจที่จะจดจำให้อย่างดีเป็นพิเศษ ประศุดแรกเป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงรายละเอียดของความหมายแต่ละอาการซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการที่เราทั้งหลายผู้ใฝ่จะทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทต้องเข้าใจความหมายของอาการแต่ละอาการในปฏิจจสมุปบาท ให้ถูกต้องดูกนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเราจักจำแนกซึ่งปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ครั้นภิษุท์ทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคาเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 โสกะปริเทวทุกขโทมนัสปุปายาต ท, ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร้า ความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆนี้เรียกว่าชราการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไป การวายชีพการตายการทำกาลละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ น, น, นี่เรียกว่ามารณะชารานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลาย นี่เรียกว่าชรามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกําเนิดการก้าวลงสุขันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลาย การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆดูก่อนภิกษุท์ทั้งหลายนิวเรียกว่าชาติดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามาพบ รูปภพอรูปภพดูกนพิสุทิ์ทั้งหลายนียเรียกว่าภพดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลพัตตุปาทาน อัตวาทุ ป, ปาทานดูกรพิสุทธิทั้งหลายนี้เรียกว่าอุ ป, ปาทานดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ตันหาเป็นอย่างไรเล่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายหมู่แห่งตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปตันหาสัทธตันหา คันทตันหาระสัตันหาโพธพัตันหาธรรมตันหาดูกนพิสุท์ทั้งหลายเนี้ยเรียกว่าตันหาดูกนพิสุท์ทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูกนพิสุทิ์ทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือ จะคุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามนโนสัมผัสสชาเวทนาดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายหนีเรียกว่าเวทนา ดูกนพิสุจน์ทั้งหลายก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าดูกนพิสูจ์ทั้งหลายหมู่แห่งพัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมนโนสัมผัสดูกนพิสุจน์ทั้งหลายหนีเรียกว่าผัสสะ ดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายก็สลายยตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชีวหายตนะกายายตนะมณายตนะพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายยตนะดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่า เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนาสิการนี้เรียกว่านามมหาพูดทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาพูดทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูป ดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายนียเรียกว่าวิญญาณ ดูก like ่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อวิชชาเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความไม่รู้อันใดแลเป็นความไม่รู้ในทุกข์เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นความไม่รู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนียวเรียกว่าอาวิชชา บทต่อไปเป็นเนื้อหาของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการแสดงความต่อเนื่องของกระแสปฏิจจสมุปบาทไปตามเหตุตามปัจจัยแต่มีที่สิ้นสุดจบลงที่วิญญาณและนามรูปไม่ยาวมาถึงสังขารและอวิชชาอันนี้จะเป็น ปฏิจจสมุปบาทอีกมุมหนึ่งที่ควรศึกษาดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะที่มี เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีใหม่ดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดูก่อนอนนน์เมื่อเธอถูกถามว่า ชาติที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าชาติมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดูก่อนอา น, นุ์เมื่อเธอถูกถามว่าพบที่มี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 อุปาทานที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคําตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าอุปาทานมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคําตอบพึงมีว่าอุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาดูก่อนอานน์เมื่อเธอถูกถามว่า ตันหาที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีใหม่ดังนี้เช่นนี้แล้วคําตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าตันหามีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคําตอบพึงมีว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดูก่อนอานนุ์เมื่อเธอถูกถามว่า เวทนาที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าเวทนามีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่า ภัสสะที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าภัสสะมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าภัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่า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 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณภัตสมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเวทนามีเพราะปัจจัยคือภัตต์ตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตันหะพบมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานชาติมีเพราะปัจจัยคือพบ ชรามารณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาททั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แล บทต่อไปนี้เป็นคำกล่าวของท่านพระสาริบุตรที่ได้นำคำพูดของพระพุทธองค์มาแสดงแก่พิษุที่เชตวันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แลคคำนี้ เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปั น, นธรรมกล่าวคือปัญจ ป, ปาทานขันท์ทั้งหลาย ทำใดเป็นความพอใจเป็นความอาลัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปทานขัน์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ทำนั้นชื่อว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทำใดเป็นความนําออกซึ่งฉันทราคะเป็นความละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานขันทั้งหลายหประการเหล่านี้ ธรรมนั้นชื่อว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่พิกษุปะพฤติกระทาให้มากแล้วดังนี้ บทต่อไปเป็นการแสดงความรอบรู้ปฏิจจสมุปบาทว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทสามารถจะใช้เป็นหลักพยากรณ์การบรรลุถึงความเป็นอรหัตตผลได้เนื้อความมีดังนี้ว่า ภิกษุกะลาระขัตติยะเข้าไปหาพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องที่พระโมลยะพักคุณะผู้ลาสิขาเวียนมาเป็นคลาวาสให้พระสารีบุตรฟังท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าที่พระโมลยะพักคุณะลาสิขาไปนั้นต้องเป็นไปเพราะไม่ได้ความมั่นใจในธรรมวินัยนี้เป็นแน่เมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุกะลาระขัตติยะ จึงได้ย้อนถามถึงความรู้สึกส่วนตัวท่านพระสายริบุตรเองว่าท่านได้ความมั่นใจในธรรมวินัยแล้วหรือพระสาริบุตรได้กล่าวตอบว่าเราไม่มีกังขาในข้อนี้เลยพิสุกัลาระคติยะได้ถามอีกว่าแล้วในการต่อไปข้างหน้าเล่าพระสายริบุตรตอบว่าเราไม่ลังเลสงสัยเลย พิษุกัลาระคติยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลกล่าวหาท่านพระสารีบุตรว่าพยากรอรหัตผลว่าตนมีชาติสิ้นแล้วเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้เรียกหาท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่า เธอพยากรณ์อรหัตผลว่าเราย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้น าพระองค์ไม่ได้กล่าวแล้วพระเจ้าค่าดูก่อนสาริบุตรกุลบุตรย่อมพยากร์อรหัตผลได้โดยปริยายแม้ต่างๆกันเมื่อเป็นดังนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเห็นการพยากรณ์โดยปริยายใดปริยายหนึ่งนั้นว่าเป็นอรหัตผลที่กุลบุตรทั้งหลายพยากรณ์แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้กราบทูลแล้วไม่ใช่หรือว่าเนื้อความมีอัดและพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์มิได้กล่าวแล้วดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรอรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้ว กรรมจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสาริบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้จึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรกชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเล่าดังนี้ดูก่อนสารีบุตร เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีพบเป็นเหตุให้เกิดมีพบเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีพบเป็นเครื่องกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสาริบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสาริบุตรกระพบเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกาเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสาริบุตร เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพบมีอุปทานเป็นเหตุให้เกิดมีอุปทานเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอุปทานเป็นเครื่องกำเนิดมีอุปทานเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกําเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้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 เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีพัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีพัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีพัสสะเป็นเครื่องกําเนิดมีพัสสะเป็นแดนเกิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสาริบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสาริบุตรเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนันทิจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายดังนี้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 เดี๋นี้ข้าพระเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาทั้งสามอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์ดังนี้เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ ถูกแล้วถูกแล้วสาริบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ดังนี้ดูก่อนสาริบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสาริบุตรเพราะอาศัยวิโมก ย, ย่างไหน ท่านจิงพยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้น ข้าพระองค์จะตอบแก่เขา ว, ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะอาศัยอัจชัดตะวิโมก ค, ความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงเราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้อันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วสาริบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละแต่โดยย่อว่าข้าพเจ้าไม่คลองใจในอาสวะทั้งหลายที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพระเจ้าละแล้วหรือยัง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์เนื้อหาในบทนี้ทำให้เราเข้าใจในบรรยากาศครั้งพุทธกาลได้ดีเลยว่าการ จะพูดกล่าวอะไรจะต้องมีความรักกลมเขาจะระวังเรื่องการอวดอุตริมนุษธรรมกันสูงมากและพระภิกษุก็จะต้องคอยระมัดระวังว่าจะมีใครอวดอ้างคุณวิเศษว่าบรรลุธรรมหรือบรรลุกุณธรรมในชั้นใดๆสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเนื้อหาปฏิจจสมุปบาท หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหลายจะเป็นข้อมูลด้านปริยัติเพื่อให้ท่านได้สามารถสาวต่อยอดไปสู่การปฏิบัติได้ในที่สุดขอความสุขความเจริญความรอบรู้ยิ่งในธรรมของพระพุทธองค์จงมีกับท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร